เราก็พอเข้าใจในหลายประเด็นเนี่ยมันเหลืออยู่อย่างเดียวคือฝืนแน่เองคือฝืนพอเข้าใจอยู่แล้วฝืนให้มันเต็มที่ฝืนเยอะๆฝืนมากๆฝืนนี่อาจจะใช้คําว่าเพียรหรือจะเคำาพยายามก็ได้ความขี้เกียจเราก็เห็นนะ่ะความชอบไม่ชอบเราก็เห็น พี่ดาวนต่างจากทางลลกคือฝืนด้วยความรู้สึกตัวทาความรู้สึกตัวเป็นยานความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันอยู่ของเราตลอดเวลาแล้วฝืนเหมือนว่าเอาจิตเนี่ยนั่งนั่งความรู้สึกตัวขี่ขับขี่ความรู้สึกตัวออกไปติดความคิดก็ให้มันออกไป จิต ค, ความม่วงความเหงาเนี่ยฝืนโดยความความรู้สึกตัวมากมากได้ความรู้สึกตัวนี่พาจิตมันออกไปหรือถ้าไม่พูดแบบการพามนำพาจิตออกไปก็จะตจะฝืนมารู้สึกตัวเยอะๆพวกนี้ก็จะเหือดแห้งไปความคิดความปรุงแต่งความอยากทั้งหลายเนี่ยมันจะเหือดแห้งไปมันจะจางไปมันจะหายไปนแต่ฝืนเยอะๆหมายว่าท ร, ร ม, มานไหม ในความทรมานใจจะขาดนั่นแหละที่ว่าปัญญาจะเกิดในเสี้ยววินาทีที่เราต่อสู้กันมากๆน่ะแต่ขอให้ต่อสู้ด้วยความเป็นผู้มีสติคือให้มันตั้งมั่นดีๆอย่าไปงุดหงิดอะไรกับมันส่วนมากเวลามันมีความสบายๆเราก็ไม่คิดอะไร ดีใจหรือซ้ําไปแต่ถ้าเวลามันทุกข์เนี่ยเราไม่ค่อยอยากสู้กับมันหรือปัญหาอันหนึ่งก็คือทุกข์โดยไม่รู้ตัวทุกข์โดยไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เราทุกข์โดยไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์นะอย่างมันคิดเนี่ยหรือมันเข้าไปในอารมณ์ไม่รู้มันเป็นทุกข์ไม่รู้เป็นอารมณ์มันคืหลุดเข้าไปทันทีมันไม่ออกนะนี่ทําไมมันจึงจะเห็นมันไยขึ้น รู้สึกมันได้ง่ายขึ้นคนที่อสวะจะหมดหรือ ว, ว่าเห็นธรรมได้ลึกๆก็คือคนฝืนนิสัยตัวเองเป็นในเบื้องต้นเนี่ฝืนนิวรนฝือนอารมณ์เนี่ยล้วปฏิบัติธรรมเราฝืนเดินจกกุกมต่อสู้กับอารมณ์มันมาตั้งกฝืนไปฝืนมาฝืนไปฝืนมา แต่ถ้าอยากให้สังโยชน์มันดับเนี่ยต้องฝืนนิ ส, นนสัยนล้วแสดงว่าเราต้องเห็นมันน่ะนิสัยมันเป็นไงฝืนมันฟันฝาออกจากมันให้ได้มาทอนนีไปถนนมาทันี้ไปถนนฝืนเนี่ไปบ่อย ฝ, ฝืนเพื่ อ, อไเพื่อไปสู่ที่เมื่อเราสวดแล้วมาจากที่มีน้ำ มาสู่ที่ไม่มีน้ําละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลหนึ่งที่มันมีน้ํามีน้ํามันมีความคิดเวลามันมีความคิดเยอะปืนไปสู่ที่มันไม่มีความคิดพวกเรานี่มีคิดเยอะเนาะน้ะํานไม่ได้หมาว่าความคิดอย่างเดียวนะครับคือความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนน้ำํำเราก็เสื่อมกสนความรู้สึกตัวเราติน้นดนเพื่อออกไปสู่ที่มันไม่มีน้ํา ไปสู่ห่วงที่มันว่างๆโงล่งๆกระตุ้นความรู้สึกตัวเองเพื่อออกไปสู่ดินแดนนั้นๆแล้วเมื่อออกมาได้เนี่ยพยายามจับความรู้สึกตัวอันนั้นจับความรู้สึกตัวเขาเรียกว่าประคองจิตจับความรู้สึกตัวอย่าให้มันหลุดพ่อปูน า, าการเช่นนั้นไว้แต่จิตมันก็จะตั้งมันของมันเองพอตั้งมันก็เหมือนเห็นมร มักคือมันโล่งมันว่างใจมันโล่งมันว่างมาถึงมักละ่ะมีมักเกิดขึ้นในใจมักแปลว่าเห็นทางทางของใจที่ต้องเกินคือทา ง, งความว่างถ้ามันว่างเฉยๆคือเดินด้วยสมาธิแต่ถ้าว่างแล้วเข้าใจนะเหมือนมีอาวุธเห็นปุ๊บอ่าวันนี้อันนี้จังรู้จักอีหน่อยรู้จักสมมุติ ดูจากรูปจากงามไปแบบเนี้ยคือมันเข้าใจมันเขาจะมีปัญญาเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้ามีปัญญาคือมันว่างเฉยๆปัญญาที่ตามมาคือความเข้าใจโอ้อันนั้นโอ้อันนี้ขึ้นมานะเนี่ยเราเดินด้วยปัญญาแล้วเรามีมีดเป็นในตัวมีดก็คือความรู้สึกตัวในถางมันไปมันไปอะไรเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีล่ะไม่มีก็รู้สึกตัวเป็นเหอุเหมือนคนเดินทางแล้วทีเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เดินทางติดอยู่ในความ ติดในความห่วงความเงาความเบื่อตอนนี้เดินทางแล้วเริ่มโล่งบ้างโล่งบ้างมันไปถามคนโอ๊ยมันก็คิดบ้างโล่งบ้างสลับไปนั่นแหละทำถูกล้ทีนี้รู้สึกตัวเยอะแล้วเดินหน้าไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆกำหนดรูปไปเรื่อยๆกำหนดรูปไปเลยมันจะคิดบ้างอะไรบ้งเมื่อเราขับรถเนี่ยช่วงที่ไม่เจอคนก็ไม่เจอไม่เจอรถข้างหน้าก็ไม่เจอแต่เวลามันเจอก็ทำไงอ่ะอันนี้เหมือนกันพอเจอความคิดความห่วงเหงา หลบเป็นไหมหลีกเป็นไหมให้เขาผ่านไปเนี่ยอืมใช่เราจับอยู่กับปัจจุบันมันม่นมันง่งมั่นคงไม่หลุดเข้าไปเนี่ยภาพปีศาจมายาขัดเนี่ยมันจะดับหายไปแต่ดีนะอื<ม>เขามันดับหายแล้วเขาเดินหน้าไปเดินหน้าไป<ม>สุดมอ้ยปฏิบัติธรรมปานนี้ทําไมยังคิดอยู่มึงคิดธรรมดาล่ะช่างมันเถอะนะแต่ว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมปานนี้กูทําไมยัง เผือไปคิดกับมันอยู่เผื่อยังไปกับความคิดอยู่ตัางหากนะถ้าไม่ยังเผือไปกับความคิดอยู่แต่ว่ามันยังคิดอยู่ในโอตันหามันยังมีนตันหายังมีมันยังไม่เหือดแห้งมันยังไม่เหือดแห้งความร้อนมันน้อยกันเผาอ้มันน้อยเห็นไหมมาช่วงแรกเราก็จะเป็นแบบคี้เยอะนานๆเข้าจะเริ่มว่างบ้างเริ่มโล่งบ้างเริ่มไม่ค่อยคิดบ้างคิดสั้นๆกับมานบ้าง คือความร้อนข้างในมันมีไฟตะบะมีไงเดี๋ยวเป็นโลกนะ่ะเดี๋ยวเป็นโลกนี่เนาะเบื่อสังขารว่ะชอบก็เป็นทุกข์นะไม่ชอบก็เป็นทุกขนะ์เนาะเบื่อก็เป็นทุกขนะ์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ปกติไงใจเนี่ยแต่เราก็เอายืมมาพูดกันแต่ความปกติคืออา้าเบื่อไม่เบื่อก็ได้แต่ขำได้แต่ขำเลยทุกเกิดมาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ย อยู่กับบ้านพังพังบ้านร้างๆว <นะ S 1> ันวันหนึ่งก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันไม่เหมือนฆรวาสญาโยมฆราวาสเที่ยโยมตื่นมาก็ซ่อมบ้านคน <นะ S 1> ิดอาหารเสริม <นะ S 1> เขียนคิ้วให้มันบ้างทาปากอะไรมาห น, นึ่งท้งว่าคาวาสจะเป็นอย่างนั้นแหะของพระเนียมันไม่ได้ซ่อมอะไรไม่ได้มุงรังคงรังคาหญ้าแฝกหญ้าอยู่ยล้กนก่ตัดออกทำขนหัวอะไรตัางๆไม่ให้มันมีมั้ย ก็เหลือแต่โรลกล้วนๆสดๆอันนั้นก็โผล่ขึ้นมานโผล่ขึ้นมาคือมันเห็นมันง่ายอ่ ะ, อะเจ็บขาแล้วนอนันเจ็บสิวเจ็บฝ้าเจ็บโอ้สารพัดแต่จะเป็นแต่ก็มียะถาภูตยานไอ้ที่ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเขาเรียกว่ายะถายะถาไปว่าฉันใดอีวังก็ฉันนั้นนะนะ เรายะถายะถาบริพานสุดท้ายนะเนี่ยอวังอันนี้ยะถาภู ต, ตะญาณภูตไปพุ่มเกิดมันงอกขึ้นมาภูตคาลสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในดินยะถาภูตญาณความรู้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเพิ่ม ส่วนวม่าเราไปคิดธรรมะเพิ่มมันไม่ใช่เป็นยะถาเลยไอ้ที่รู้เฉยๆนั่นแหละอันที่รู้เฉยๆเนี่ยคือยะถาพูตยานทำยะถาพูตยานนี้มันชัดเย็นแล้วมันจะเป็นญาณสิบหกเองโดยธรรมชาตินะยะถาพูตยานเนี่ยทำเองรู้สึกตัวมากๆเห็นเออเกิดเออก็เหี่ยนั่นแค่นั้นเองก็แค่นั้นเองเนี่นเนนะเราดูมนันเนืมันเป็นอย่างนี้เนาะดูแค่นี้ เดินไปเดินมาอ้าวเป็นอย่างนี้เองเนอะเนี่ยแล้วบางทีเวลาเรารู้อย่างเงี้ยมาเข้ามาเข้ามาเข้าเนี่ยมันกําลังหาพวกจิตเนี่ยเวลามันเจ็ตกับอะไรกับความรู้สึกกับมิลารวัดรสวดมนต์มันตื่นขึ้นทันทีนะจิตเนี่ยมันเหมือนไฟมันกำลังไหม้อยู่ไมนได้เชื้ออย่างเงี้ยฟังคําสอนของพระเจ้าสว่างขึ้นทันทีนะ เจ่มแจ้งเกิดมาดนะีอยากนั่งคุกเขาสุดองอบลงกล่าพระพุทธเจ้าไม่รู้อยู่ที่ไหนนะพระพุทธเจ้าแต่ก็ภูมิใจภูมิใจดีใจที่เราทาได้ทาได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดังนั้นมันก็ไม่มีอะไรทำความรู้สึกตัวนี่เห็นเยอะๆมันชัดๆเราจะไม่ใส่ใจว่ากลัวไม่เห็น น, ะนั้นเห็นนะี่นะ ในเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันคิดกลับมาอยู่รู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวถ้ามันไม่คิดล่ะไม่คิดก็รู้สึกตัวไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันโผล่ออกมาเท่าไหร่ดูเท่านั้นอย่าไปค้นหานะอย่าไปค้นหาเจาะหนนานู่นนี่จะหนักกว่าเดิมไม่เจ็บหัวเด็เจ็บหัวเพราะว่าใช้หัวไงม น, นุษย์ที่เขาห้ามใช้หัวให้จะรู้ตัวเราไม่ใช่จุดจีนะจะมุดนั่นมุดนี่มันหัวเราไม่ได้สร้างโครงสร้างมาแบบนั้น เอาแต่รู้อย่างเดียวเฉยๆเอาแต่เป็นผู้รู้รู้อย่างเดียวๆๆๆรู้เฉยๆรู้จนทำมันเป็นจากรู้เฉยๆเนี่ยมันจนกลายเป็นยถาภูตยานนะรู้เท่าไหร่เกิดเท่านั้นรู้เท่าไหร่เกิดเท่านั้นรู้เท่าไหร่เกิดมาเท่าไหร่ดับเท่านั้นนั่นแหละนะเอเทเซนีมีสม า, านานิ่มีสติ นิรุจมานานนิรุจสติคือมันเกิดเท่าไหนมันหลุดออกมาเท่าไหร่ดับไปเท่านั้นอย่างเงี้ยในส่วนหนึ่งเพราะเราได้ยินได้ฟังมากมันศึกษามากเรียนรู้มากก็เลยบางทีสติมันไม่ค่อยมั่นคงะสมัยอยู่กับหลวงพ่อเทียนท่านก็จะเป็นว่าคนที่อยู่กับท่านก็จับขังทันทีอยู่ในห้องเอา้าจับขัง ความเพียรดิห้าวันสิบพันแต่ว่ามันมีพลังอยู่อย่างหนึ่งลุงพ่อเทียนขังเรานเนี้ยมันก็ต้องพอสมควรแหละท่านถึงให้อืมใครปฏิบัติเข้าใจไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ช่างอืพื้นฐานเนี่ยพอจะรู้สึกตัวเป็นก็อยู่แต่ว่าบรารมีท่านดเดี่ยบท่านมีบรารมีอะลุงพ่อเทียนคือหมายาว่าพอเราเข้าไปอยู่เราจะไม่ทําก็ไม่ได้กลัวท่านเดินมาอะไรประมาณมันกลัว มันรวมเขต้องเอาจริงเอาจังเดี๋ยวพะเอาจริงเอาจังมันก็ต้องเหมืนอนอึดอัดถูกบ้างครับมันก็ต้องเกิดปัญญาอยู่ดีนั้นบารมีเนี่ยสําคัญถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่มีแนะล้วบารมีกูขับคว้าแนะไม่มีคือขับห้องเลยกูคื อ, ก, อกูเะไรเงี่ยพออยู่ที่นี่ก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะดีขึ้นมาหน่อยแต่หลบไปหลบมาก็ยังพอได้นะแต่ว่าอยู่กับฐานให้ได้ อยู a, ch ่กับยะถาปุตตยานนี่ให้ได้อยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆนี่ให้ได้อยู่กับสติสัมปชัญญะเนี่ยอยู่กับการปล่อยวางอยู่กับอุเบกขานี่ให้ได้เพราะอันนี้คือทุกอันเห็นปุ๊บดับปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บเห็นปุ๊บเฉยกับมันปุ๊บเฉยกับมันพอเดินได้ใส่ใจกับความรู้สึกตัวนี่อันที่เราใส่ใจกับความรู้สึกตัวนี่เพราเราเตรียมรับมีดไว้นะรับมีดไว้เนวลามราขึ้นมาเราฟัน คือเห็นปุ๊บมันจะดับปุ๊บน่ะเขาเรียกว่าแหลมคมสติมันแหลมเหมือนแทงรูปโผงเล่นเนี่ยสนุกจังอ่ะมันแตกตับตับตับตับตับตับ่ะโลงตาชอบบีบอะไรนะไอ้ที่เขาส่งมาทางไปสีเนี่ยมันเป็นตุ่มๆุมนะนบีบแล้วดีจังอ่ะเด็บครับีบตามหาบีบไล่ไปเรื่อยๆเลยๆมันแบบนั้นแหละ มันเวล า, าเกิดขึ้นมันเราก็เห็นไปนั่นแหละบีบไปเอามันมาแต่นี้มันไม่มีกําลังบีบนี่ดีนะไม่มีกําลังบีบอันที้เห็นเฉยๆแค่เห็นตัวเห็นปะเนี่ยสามารถทําให้ตัวคิด่มันดับตัวเห็นเนแค่มันง่วงดับเนี่ะก็เรียกว่ามันเข้มแข็งอืมมันเข้มแข็งเห็นพุ๊ดับปุ๊บเอาได้การละทีนี้ถ้ามันไม่เข้มแข็งนะก็รู้สึกตัวเยอะๆมากๆ แหลมด้วยคมด้วยมันมาทางนี้ก็คมมันถูกมันมาถูกคมนี่ก็บาดตายซะตัวนี้ตัวนั้นก็ตายซะตัวนี้ก็ตายซะตัวนี้ก็แตกตุ่มไปโอ้แต่แล้เขาเรียกว่ายถาปูตยามันเข้มแข็งความรู้สึกตัวมันชัดพอมันชัดเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าสมาธิก็ได้เรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกว่าศีลก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันเข้มแข็งนั้นพุทธภาษิต เราได้ยินได้ฟังโอ้มันประทับใจนะยิง่งตาคนได้เสียงคนเสียงดีๆสวดเนี่ยเอื้อนไยดีๆไม่หลับนะแล้วพูดว่ามันฟังแล้วมันเพราะหน้ตัตนหานูสัใสที่ตีนู้นเวลาพูดนะไปฟังเสียงวัดอาจารย์สบมบพเวลดสวดมนต์นะท่านจะสวดเอื้อนมากกว่านี้นะ และเหมือนมันกินใหญ่ของเราเนี่ควบมากุบกุบกบเร็วที่สุดเนาะแต่ถ้าควบวันนัทคูบอุดภาสวดก็เสียงเขาดีเนาะ่คือฟังแล้วมันเพาะเวลาสวดตามันก็เคลิ้มนะจิตเราคำว่าเคลิมนี่คือมีศรัทธาด้วยมันเพาะมันมีไม่เวลาเราสวดลองตั้งใจสวดแล้วดูปากเราขยับไหลไปเฉย ความจำในเรามีบ้างแล้วนี่เรามาพูดมาสวดแต่สวดเราดูปฏิกิยาการสวดมันไปเฉยๆเวลาพูดเนี่ยเวลาปฏิบัติทำสวนมากเราพูดมันเหมือนกับความรู้มันมาก่อนนะความรู้มันมาแล้วเราพูดไปตามความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆเราก็ดูความรู้ที่มันเข้าแล้วไปตามความรู้เฉยๆนี่ แต่ส่วนมากคิดตอนนั้นพูดตอนนั้นคิดมาพูดตอนนั้นมันก็เลยไม่มีสมาธิไอ้ตัวสมาธินี่คือการบางทีมันไปพร้อมกันนะ่ะกับปากขยับว่ามันมีรายละเอียดมากมายแหละถ้าเราเฝ้าดูจริงๆเนี่ยเอาแบบว่านั่นแหละจะไปกลัวมันฝืนฝืนพยายามฝืนเอา ฝืนทุกันฝืนทุกันฝืนแบบบ้าๆบ้างแบบที่เอ้ยอันนี้กูไม่เคยฝืนเลเนี่ยลองฝืนดูดิอย่างเช่นเคยซักผ้าไปจำเลยลองนุ่งผ้าไม่ซักสักเจ็ดวันดูดิจะเป็นยังไงด้วยสตินะดูมันมันยังจะพอใจร่างกายสังขารนี้อยู่ไหมยังชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ไหมยังชอบอะไรอยู่ไหมเนี่ยนะ แต่นั้นแสดงว่าต้องเก็บอารมณ์อยู่คนเดียวนะไม่นุ่งไม่สักผ้านะนะอย่ามาหาคนอื่นเขาลองฝืนอา้าวทานน้อยแต่อย่าลืมไม่ทานน้อยไม่น้อยคือคุณจะสมาทานปฏิบัติอะไรก็ทำต้องทํามากๆขวัดปฏิบัติส่วนตัวเนี่ยเข่งอันนั้นเข่งอันนี้แต่อย่าลืมรู้ตัวเยอะๆตัวรู้ตัวนี่อย่ามันหลุดรู้ตัวเยอะๆตั้งใจ ล้วพยายามทำอะไรในสิ่งที่บัณฑิตเขาทําเมื่อวันนี้กูจะสมาทานแก้ผ้าเดินเล่นคนนั้นแมั่วไม่ดีเ น, นี้ยคือต้องเอาแบบที่บัณฑิตเขาทำํำใช่ไหมอะไรที่ไม่ใช่บัณฑิตทําเละอย่าทําต้องนึกบางทีอย่างนี้แล้วเนี่ยไปเห็นครูบาเนี่ยเอาไปหาจีวรเผื่อน้นาอยู่มัดล้อมไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ให้คนเห็นอะไรเลยโอ้ยอันนี้บัณฑิตเขาไม่ทำหรอมิหน้ามันถึ ง, งโง่นานมันไม่ได้อะไร ต้องเป็นคนเปิดเผยนะเปิดเผยห้องนอนอะไรตื่นหรือมาแล้เก็บเรียบร้อยนี้ถ้ามันว่างเปล่าคือดูรู้ในะเวลาเราเดินไปเนี่ยบางคนเอ้เก้าอี้ตั้งอยู่ตรงกลางทางจงกรมบริบานแล้วก็จะนั่งเราก็รู้มันไม่ไปหน้ามาหลังอ่ะมีแต่นั่งหลับอยู่นี่แหละนะคนจริงจังเนี่ยมันไม่เปลีป่ยนเหมือนออวันนี้ตั้งเก้าอี้วันพรุ่งนี้เขาหายไปแล้ว คือมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเลยจะได้นะบางคนไม่ไมีเลยมิจะเดินกับเดินนะเอาก็นุโมตนานะนั้นวันเดือนปีผ่านไปเนี่ยจะไม่รู้สึกว่า ม, มันมีอะไรดีขึ้นเลยเพราะยิ่งทํามันยิ่งไม่ฝืนนะยิ่งทํายิ่งมีเหตุข้ออ้างตัวเองมากขึ้นนะั้นมันต้องฝืนนะต้องฝื น, ต, ฝนต้องต่อสู้มากมาก ต้อมีพลังความรู้ตัวนี่มันเยอะๆจับความรู้สึกอากอดไว้เหมือนเราถือดาบถือมีดอย่างเงี้ยหรือเหมือนกับที่เราพูดว่านี่คือที่พึ่งนะมีดาบมีมีดเดินผ่านไปใครก็กลัวนะเขากลัวเรานะกิเลสไม่ได้บอกว่าหรือโจรเนี่ยเรียไปไม่ต้องบอกนะเนี่ยถือดาบถือมีดไปเนี่ยมึงรู้ไม่กูถือปเปโลดเปรมนูมานล้วเนี่ยไม่ต้องพูดหรอก นะกูมีสติแล้วนะเนี่ยหรือไม่มีสติมันรู้จักนะสติมันไม่เป็นแบบนี้ยถ้ามีสติอยู่เนี่ยไม่ด้เป็นแบบนี้กิเลสมันไม่อยู่ด้วยแบบเนี้ยอันนี้แสดงว่ามันไม่มีสติเลยกิเลสมันก็อยู่ด้วยมองดูก็รู้เอาบรรยากาศแบบนี้กิเลสอยู่แบบเนี้ยมันอยู่ด้วยไปเห็นโยมตื่นขึ้นมามัยังไม่เก็บกรดอยู่นนะมั่งเจ็ดวันเนี่ยเราก็เก็บกดให้เรียบร้อยซะ เก็บกดทุกวันเก็บเครองหม่มัดไว้ข้างบนข้างล่างก็เก็บเสื้อเก็บสะอาดให้เรียบร้อยเก็บเครื่องสําอางโลชั่นโลเยลทาอย่าให้ครูบาอาจารย์เห็นอันนี้ทาแล้วก็ยังวางแจกอยู่ตรงนี้หอ้ยมันเยอะจังนเนี่ยพระไปสอบประลงก็อดขอทาด้วยไม่ได้มันเยอะเกินอัมาทาหน่อยที่นี่แต่พระท่านทาแล้วจะหายไปเลยเด้ไม่ต้องมาส่งคืนนะวี้เก็บให้หมดเลยใส่ถุง เย็บร้อยนะรู้สึกเฮ้ยยุ่งยากเนาะท่าเปิดจะหยิบตัว น, นั้นเปิดตัว น, นี้เดียวเหมือนลงพ้าเทียนธนวนะัฒน์ะเฮ้ยยุ่งยากชีวิตเนี่กว่าจะสูบบุหรี่ได้แต่ละตัวเนี่ยต้องจุดนั่นต้องถอดนี่ต้องเก็บมาใส่ปากต้องเอาไฟบัจจิใส่อ น, นุนิธนวัฒน์ตรงเฮ้ยวุ่นวายเห็นว่ามันเป็นทุกอย่างถนัดธนวยัยของเราไม่ได้เห็นเป็นทุกยิ่งทา ย, ยิ่งเปลือเปลิปลลน่นบะวางครับ พูดมากก็ปากเป็นแผลเขืออันเดียวนะฝืนฝืนนี่อาจเรียกว่าทำมากมากทำเพิ่มก็ได้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเนี่ยแต่ยิ่งยิ่งไปภาษาพากเรียกว่าเด็ดขาดกับมันก็อธิศีลเนี่ยเมื่อก่อนก็มีศีลอยู่ที่นี่วันนี้จะเพิ่มมากขึ้นนะฉันจะเลิกจะยุ่งจะเกี่ยวจะอนไ ร, รว่าอธิศีลสิกขานะหรือบางทีตั้งใจไม่มาหลุด จะจับพมากกว่าดินอันนั้นอธิจิตตสิกขาคือสมาธินั่นแหละเห็นให้ไวเพื่อปล่อยวางให้ดีที่สุดคือเป็นอธิปัญญาสิกขาเนี่ยมันอยู่ที่เดี๋ยวนี้เอามารวมกันอันเป็นหนึ่งเดียวจับที่ความรู้สึกตัวเราเคยเห็นแหนนะเห็ น, นะ เ, ห น, นเป็นละหวานไปน่นมันแผ่ว อย่าไปยุ่งอย่าไปหาเก็บตรงนู้นตรงนี้ะคนฉลาดนี่เขาจับจอมเหนะจับดึงดึงขยบขยบเนี่ามันมาเองดึงดึงลากมาจะี๋ยวไปงมไล่เ่ามันก็จุดไปทางนี้จุดไปทางนี้จุดไปทางนู้นเนี่ยมันไม่ทันเขาดึงมาดึงมาเดี๋มันมาเองนะจับแค่ความรู้สึกตัวทุกอย่างไหลมากับจอมเหีที่ลากเข้ามานี่ยนะปามันจะวิ่งไปเผาตัวไหนอ่ะเสร็จหมดจับอยู่ตรงนี้เดี๋ยมันมาเอง เวลาไปบินทบาตปีนี้ลวงใจยังไม่ได้เห็นเลยได้ยินเลยว่าพระไปบินทบาทแล้วได้อารมณ์เนีเอาจจะไม่ได้คุยด้วยก็ได้กําหนดรู้ไปตั้งแต่ไปเนี่ยจนถึงกลับนะปกติมันจะสว่างนะเดินอยู่สามเดือนมันต้ได้อารมณ์ตื่นไปบินทบาทกําหนดรู้าปต่อมากําหนดรู้มาอันนี้คุยกันก็แต่ทางเข้าประตูวัดก็ไม่ได้ละตอนออกไปี่ซอยเท้ารู้สึกตัวอยู่นะเหมือน ลุงพ่อสมหมายท่านว่านะไปนิมนต์ท่านโน้นสมัยโ น, น, น้นนะมีเนโน่งหนึ่งขี้เกียจเดินจงกรมไปอยู่ด้วยเอา้าเดี๋ยวไปทําอันนั้นแหละเดี๋ยวไปทำมานี่แหละหลวงปู่เทียนให้เดินจงกรมซอยเท้าอยู่ในกฎห้ามออกจากกฎเดินได้สองก้าวเองอืมเดินไปเดินมาแล้วก็เกิดรู้แจ้งขึ้นมาด้วยเห็นไหมเอาแค่สองก้าวแนละ้วเดินอยู่ในกฎนะท่านไม่ไดให้อยู่กุฏิกับเขานะ เะไดหลวงพ่อสมหมายก็ไปาจนิมุลไปเทศมีคนโทมบอกว่าทันลื่นในห้องน้ำัวสมองนอกคื้นเนี่ยเมื่อสองวันก่อนโอ้ส่วนโมกมันจะได้เหมาหมดได้เนี่ยว่าแต่ตอนนี้ก็เบลเบลอะคือจำความอะไรเริ่มไม่ค่อยได้อะตายหมดแล้วพระนเนี่ยอเดี๋ยวก็กูล่ะคนอื่นตายหมดแล้วเราจะอยู่ทำไมเราตายบ้างอยนะีนะอยู่ไปก็เหนื่อยเนาะ ทางารก็เลยว่าโอ้ยหลวงตาคงไม่ไหวแล้วขออภัยเรือ อ, อะไรประมาณนั้นนะคนอื่นเขาบอกนะแต่ท่านนี่เบื่อไม่ค่อยรู้เรื่องเส้นประสาทในสมองแตกมัแน่จะแตกก่อนล้มหรืล้ ม, ลมก่อนแตกก็ได้เป็นได้ทั้งนั้นแต่สุดท้ายก็คือเอาทํางานอันนี้ไม่ได้ ล, ละท่านชีวิตเนี่ยมันอย่าคิดนะว่ามันง่ายมันยากจะประคองอยู่ให้มันง่ายๆ มันเหมือนกันขับรถเนี่ยชีวิตจะให้มันไปถูกทางหน่อยเนี่ยได้อยู่แต่ทั่วแต่ต้นเผลอละประมาทนั่นแหละคือปัญหาชีวิตนี่เหมือนกันเวละประมาทไม่จับพวงมาลัยคือไม่จับตัวรู้แล้วอันตรายละในพวงมาลัยอยู่กใกล้ๆนะ่ยเขามีเบรกมีคลัตช์มีตอกไฟมีไปสูงไฟต่อมีเสร็จหมดในนั้นดูในนั่นแหละเหมือนกันจับความรู้สึกตัวในความอดทนก็มีความขยันก็มีความเพียรพยายาม ความตั้งอกตั้งใจความมันอยู่ที่นั่นหมดอะอยู่ที่ความรู้สึกตัวหมดเอ้าเตรียมตัวนะเดี๋ยวกราบพระไปปินบัก